องประกอบของมัชชิมาปฏิปทาหมวดปัญญาข้อ2สัมมาสังกัปปะองค์มรรคข้อที่สองนี้มีคำจำกัดความแบบทั่วไปตามคำภีดังนี้ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่คณิกายมหาวัตรมีโพธิพ์ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาสังกัปปะเป็นฉะไหน เนคมะสังกัปปะอัพยาบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนอกจากนี้ยังมีคำจำกัดความแบบแยกออกเป็นระดับโลกิยะและระดับโลกุตระดังนี้ในมหาจัตารีสกสสตรมะจิมันิกายอุปริปันนัตมีปุถุพน์ว่าภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะเป็นชะไหนเรากล่าวว่าสัมมาสังกัปปะมีสองอย่างคือสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นฝ่ายบุญอำนวยวิบากแก่ขันอย่างหนึง่งกับสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตตะและเป็นองค์มรรคอย่างหนึง่งสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะคือเนคขมะสังกัปปะ อพยาบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะไม่มีอาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคคือตักกะความตรึกวิตักกะความนึกคิดสังกัปปะความดําริอปปนาความคิดแนบแนว่วพยัปปนาความคิดปักแน่นแฝนความเอาใจจดจ่อลงวจีสังขารของบุคคลผู้มีจิตเป็นอริยะ มีจิตไร้อาสวะมีอริยมรรคเป็นสมังคีผู้กําลังเจริญอริยมรรคอยู่เพื่อรวบรัตในที่นี้จะทําความเข้าใจกันแต่เพียงคําจํากัดความแบบทั่วไปที่เรียกว่าเป็นขั้นโลกยะเท่านั้นตามคําจํากัดความแบบนี้สำมาสังกปะคือความดําริชอบหรือความนึกคิดในทางที่ถูกต้องตรงข้ามกับความดําริผิด ที่เรียกว่ามิจฉาสังกปะซึ่งมีสมอย่างคือมิจฉาสังกปะอย่างที่หนึ่งกามสังกปะหรือกามวิตกคือความดำริที่เกี่ยวข้องกับการความนึกคิดในทางที่จะสแสวงหาหรือหมกมุ่นพัวพันติดข้องอยู่ในสิ่งสนองความต้องการทางประสาททั้งห้าหรือสิ่งสนองตัณหาอุปาทานต่างๆความคิดในทางเห็นแก่ตัวเป็นความนึกคิดในฝ่ายราคะ หรือโลภะมิจฉาสังกัปปะอย่างที่สองพยาบาทสังกัปปะหรือพยาบาทวิตกคือความดำ m ริที่ประกอบด้วยความขัดเคืองไม่พอใจเครียดแค้นจิงชังคิดเห็นเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูผู้มากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดอกขัดใจเป็นความนึกคิดในฝ่ายโธสัก แง่ถูกกระทบซึ่งตรงข้ามกับเมตตามิจจาสังกปะอย่างที่สวิหิงสาสังกปะหรือวิหิงสาวิตกคือความนําริในทางที่จะเบียดเบียนทำร้ายขมเหงตัดรอนและทำลายอยากไปกระทบกระทั่งรกรานผู้อื่นอยากทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความนึกคิดในฝ่ายโทสะแง่จะไปกระทบ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 ขัดเคืองผลักแย้งเป็นปฏิปักิจากนั้นความดำรินึกคิดต่างๆก็จะดำเนินไปตามแนวทางหรือตามแรงผลักดันของความชอบและไม่ชอบนั้นด้วยเหตุนี้ความคิดของบุคชนโดยปกติจึงเป็นความคิดเห็นที่เอ็เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมีความพอใจและไม่พอใจของตนเข้าไปเคลือบแฝงชักจูงทาให้ไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองล้วน ความนึกคิดที่ดำเนินไปจากความถูกใจชอบใจเกิดความติดข้องผัวพันเอียงเข้าหาก็กลายเป็นกามาวิตกส่วนที่ดำเนินไปจากความไม่ถูกใจไม่ชอบใจเกิดความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองจิงชังเป็นปฏิปักษ์มองในแง่ร้ายก็กลายเป็นพยาบาทวิตกที่พุ่งออกมาเป็นความคิดรุกรานคิดเบียดเบียนกลั่นแกล้งขมเหงเล่นล่าทำลาย ก็กลายเป็นวิหิงสาวิตกทำให้เกิดทัศนคติหรือเจตคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไม่ถูกต้องความําริหรือความนึกคิดที่เอ็นเอียงทัศนคติที่บิดเบือนและถูกเคลือบแฝงเช่นนี้เกิดขึ้นก็เพราะการขาดโยนิโสมนสิการแต่ต้นคือมองสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินรับรู้อารมณ์เข้ามาทั้งดุนโดยขาดสติสัมปญญะและปล่อยความนึกคิด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 จะต้องใช้โยนิสโสมนสิการซึ่งหมายความว่าขณะนั้นความนึกคิดความดำริต่างๆจะต้องปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่มีทั้งความชอบใจความยึดติดผัวพันและความไม่ชอบใจผลักแย้งเป็นปฏิปักษ์ต่างๆด้วยข้อนี้มีความหมายว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะและองค์ประกอบทั้งสองอย่างนี้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับในฝ่ายมิจฉานั่นเองโด ย, น, ยนัยนี้ด้วยการมีโยนิโสมนสิการผู้นั้นก็มีสัมมาทิฏฐิคือมองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจึงมีสัมมาสังกัปปะคือดำรินึกคิดและตั้งทัศนค ต, ติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่เอ็เอียงยึดติดหรือผลักแยงเป็นปฏิปักษ์ท่ า, าทีของจิตใจอ ย, อย่างนี้ พัฒนาขึ้นไปในขั้นสูงจะกลายเป็นอุเบกขาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการใช้ความคิดอย่างได้ผลหาได้มีความหมายเป็นการนิ่งเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างที่มักเข้าใจกันไม่เมื่อมีความดำรินึกคิดที่เป็นอิสระจากความชอบใจไม่ชอบใจเป็นกลางเช่นนี้จึงทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคือเสริมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มผูนยิ่งขึ้นจากนั้น องประกอบทั้งสองก็สนับสนุนกันและกันหมุนเวียนต่อไปในภาวะจิตที่มีโยนิโสมนัสิการจึงมีความดำริตริตรึกนึกคิดซึ่งปลอดปโปร่งเป็นอิสระปราศจากความเอ็นเอียงทั้งในทางผูกติดและในทางผลักขัดตรงข้ามกับมิจฉาสังกัปะเรียกว่าสัมมาสังกัปะมีสามอย่างเช่นเดียวกันคือหนึ่งเนคขมะสังกัปะ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 กุศลธรรมทางปวงสัมมาสังกัปปะอย่างที่สองอภยาบาทสังกัปปะหรืออภยาบาทวิตกคือความดาริที่ไม่มีความรู้สึกกระทบกระทั่งขัดเคืองชิงชังหรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ อภยาบาตาธาต์เท่ากับเมตตาสำมาสังกัปปะอย่างที่สาอาวิหิงสาสังกัปปะหรืออวิหิงสาวิตกคือความดําริที่ไม่มีการเบียดเบียนการคิดทําร้ายข่มเหงหรือทําลายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมที่ตรงข้ามคือกรุณาซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์จัดเป็นความนึกคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกัน